ขณะที่ไปเกิดเป็นลูกโสเพณีเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านเศรษฐีบ้านหนึ่งก็มีภรรยาที่คันแก่ก็เดินเข้าไปเฝ้าพระราชาปกตินี่เศรษฐีต้องเข้าเฝ้าพระราชาทุกวันเนี่ยนะเพราะพึ่งทีพระราชาอาจจะสั่งงานสั่งการอะไรลงมาเนี่ยนะก็เข้าเฝ้าทุกวันนี้ระหว่างไปเข้าเฝ้าก็ไปพบปุโรหิตปุโรหติรหตก็คือโหอนใหญ่เนี่ยนะโหนใหญ่ก็เลยถามว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรพิเศษบ้างไหม โหนก็บอกว่าช่วงนี้นะมันไม่มีอะไรพิเศษหรอกมันมีแต่ว่าถ้าเด็กเกิดวันนี้เนี่ยนะเด็กที่เกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้เลยนายเศรษฐีคนนี้ก็คิดว่าไอ้ลูกเราคลอดหรื อ, อยังไงก็เลยส่งให้ลูกน้องไปดูว่าอ้าไม่มีลูกลูกเรายังไม่คลอดเพราะลูกเรายังไม่คลอดทำไงก็เลยใช้ให้พวกเธอเนี่ยไปหาเด็กดูสิไปเที่ยวหาเด็กในไห น, นเนี่ยก็ ก็มีเด็กเพิ่งคลอดวันนั้นไอ้เด็กลูกหญิงโสภาณีก็เอาลูกไปทิ้งเอาลูกไปทิ้งก็มีคนคนหนึ่งรับไปเลี้ยงพอรับไปเลี้ยงก็เศรษฐีคนนี้ก็ให้ไปซื้อเด็กเด็กที่เกิดในวันนั้นมาที่ซื้อมาเนี่ยเขามีเจตนาสองอย่างเจตนาที่หนึ่งรอลูกในครรภ์นเนี่ยเกิดออกมาถ้าหากว่าลูกเป็นลูกสาวก็จะให้เด็กที่เนี่ยแต่งงานด้วยแต่ถ้าเป็นลูกชายเราก็ฆ่าทิ้งมันหลังก็ได้อะไรก็เลยคิด พอพอก็เอาลูกมาเลี้ยงไปเป็นลูกเลี้ยงพอเลี้ยงไปได้สักไม่กี่วันเนี่ยนะลูกตัวเองก็คลอดออกมาคลอดออกมาเป็นลูกชายเพราะเป็นลูกชายเท่านั้นแหละแผนฆ่าอันดับหนึ่งก็มาเ้าก็มีหญิงคนชาอยู่คนหนึ่งเอาไว้เลี้ยง เ, เลี้ยงเด็กชายคนเนี้ในเด็กชายโคสะกะเนี่ยทีนี้ก็บอกว่านางกาลีนุน่นเอาไปไว้หน้าคอก ว, วอัวกั้นให้วัวมันออกมาเหยียบให้ตายเลย ทีนี้วันนั้นอนะ่ะโคจ่าฟูงก็ออกมาเพราะโคจ่าฟูงออกมาเนี่ยโคมันก็ไปยืนคล่อมมันก็ไม่ไปอ่ะครที่จริงวางปากคอกด้วยทีนี้ไอ้โคจ่าฟูงมันมีเดตมากโคตัวอื่นไม่กล้าเบียดเข้ามามก็เลยโวโคก็ไม่ยอมออกจากคอกจนจนคิดว่าจนตะวันขึ้นพอตะวันขึ้นนายโคบานเห็นก็เลยเห็นเด็กปั๊บรักเหมือนรักเหมือนลูกเลยนะด้วยนิสงที่เห่าที่ไรที่เห่าพระใช่ั้มที่เหาด้วยศรัทธาเห็นปั๊บเลยจะรักเหมือนลูกเสร็จ แ, แล้วไอ เจตนาที่ทิ้งลูกอันนั้นนะก็เลยถูกทิ้งนะที่เจตนาที่ว่าทิ้งลูกเถอะเนี่ยนะเจตนานั้นก็เลยถูกทิ้งเสร็จแล้วก็อยู่ป่ไปนะ น, น, นางกาลีก็กลับมารายงานท่านเศรษฐีเพาเด็กไม่ยอมตายเพราะนั้นเพราะนายโคบานเอาไปเลี้ยงแล้วบอกไปซื้อมาก็ซื้อไม่อีกพันหนึ่งพันสมัยนั้นก็เยอะนะพันเยอะมากไปซื้อมาพันหนึ่งแต่แล้วก็วางแผนอีกโน่นเอาไป วางไว้ที่กองเกวียนไอ้พวกกองเกวียนเนี่ยพวกพ่อค้าจะเดินออกก็แปลสมัยใหม่ก็ไปเอารถให้รถทับตายเลยเหมนกันก็เด็กไปวางไว้หน้าเกวียนปกตินี้หัวหน้ากองเกวียนเนี่ยจะไปตามหลังเพื่อนวันนั้นแกนําหน้าเลยวัวไม่ยอมเดินเมื่อวัวไม่ยอมเดินแกก็เลยไปเอาเห็นเด็กก็เลยรกักเหมือนลูกเอาไปเลี้ยงอีก็ซื้อมาอีกนี่ยนะก็สรุปว่าถูกวางแผนฆ่าประมาณเจ็ดครั้งไม่ตายแต่มีครั้งดุเดือดอยู่ครั้งหนึ่งก็คือ แล้วก็ไปปรึกษาสมัยนั้นน่ะเขามีไอ้พวกเตาล้อนมันนะช่างพวกช่างหม้อช่างหม้อก็ใช้ฟืนใช้ไฟเนี่ยเยอะเพื่อจะเผาถะเผาหม้อเผาอบหม้อบอบอะไรเนี่ยไอ้เศรษฐีคนนี้ก็เลยไปวางแผนบอกนี่สหายฉันมีลูกการกันีคนหนึ่งว่างั้นเถอะมันเป็นลูกลูกไม่ดีอลูกอย่างไรว่างั้นเชื่อค่าให้หน่อยนะฉันจะให้รางวัลกัอย่างงามเลยโอ้เจ้านายครับตามสบายก็ให้แกรับรางวัลไว้ส่วนหนึ่งให้ค่าจ้างจะรับจ้างค่า่างั้น ก็เลยวันนั้นอะ่ะเด็กนายเด็กชายโคศกะก็กําลังเล่นอ่าก็อยู่ที่บ้านะนะเศรษฐีก็ว่าไอ้นูพ่อมีธุระใช้ไปบ้านช่างหม้อหน่อยคาบเหมือนกันเด็กก็ไปะนะคือเด็กคนนี้จริงๆก็ว่าง่ายอะ่ะแต่ก็เด็กฉลาดด้วยแล้วก็ว่าง่ายแต่ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรสักอย่างพ อ, อไหรเพรามันน้ํามทิ่มตาพ่อมาตลอดเสร็จแล้วก็ระหว่างทางก็ไปเห็นไอ้ลูกแท้ๆของเศรษฐีไอ้ลูกเศรษฐีแท้ๆไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ ก็ไปเห็นพี่มาบอกเอ้าพี่พี่ผมเนี่ยเล่นคลุบแพ้เพื่อนตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยพี่เล่นแทนผมหน่อยบอกไม่ได้พ่อพ่อใช้ให้พี่ไปงานบอกพี่พี่เล่นแทนผมเถอดเดี๋ยวผมไปจัดการให้เองธุระของพี่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมไปทํางานให้พี่ช่วยแก้มึงให้ผมหน่อยแล้วกันบอกอ้าได้ได้พะน้องรับอาสาขันแข็งว่าจะไปแทนเนี่ยนะก็เลยไปก็ไปไปถึงก็ได้เวลา อบหม้อพอดีเลยเนี่ยนะกำลังยัดฟืนเข้าเตาแล้วก็จุดไฟเผาพอเห็นเด็กเข้ามาบอกใช่แล้วตามแผนเศรษฐีก็เลยตัดหัวตัดแขนตัดขาจับโยนใส่กองไฟนั่นแหละเผาเกลี้ยงเลยเนี่ยนะไม่เหลือแต่เท่ากันเสร็จแล้วตกตอนเย็นเด็กชายโคลสการมก็เดินกลับบ้านพ่อก็ถามอา้าวใช้งานไปไงไม่ไปหรอก็ไปะระหว่างทางก็ไปเจอน้องน้องก็เลยขออาสาไปแทนผมเล่นคุบแทนน้อง โอ้โหแกร้องไห้เลยเนี่ยนะวิ่งไปบ้านช่างหมอ้อบอกเศรษฐี mm. นายช่างหมอ้อผู้สหา ย, ายอย่าเลยอย่าฆ่าลูกฉันเลยบอกคอ้ยนายนายเงียบๆหน่อยนะสำเร็จทุกอย่างตามที่นายบอกต้องการทุกประการขอระเบิดรางวัลบอกโอ้โยถ้าจะอากรักเลือดตาแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็นกอากักเลือดเลยนะเดินกลับมาบ้านเป็นโรคตลอดเลยเริ่มไม่สบายเนี่ยนะเริ่มไม่สบายเริ่มกระเสาะกระเสะเรียกว่าโรคใจเนี่ยนะ โรคใจเขบอกว่ายิ่งมองเห็นโคศกะว น, นัยเนี่ยนะฮะมันทิ่มตาแต่อจะฆ่าแบบง่ายๆมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมมันก็ผิดกฎหมายมก็น้ําทิ่มตานี่เด็กมันก็มีบุญะนะในที่สุดก็เลยวางแผนแบบเขามีบ้านเศรษฐีเนี่ยสมัยก่อนเขาเก็บภาษีอากรเองเ้าก็มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่เขาเขากินสวยอยู่แล้วก็แต่งตั้งหัวหน้าที่คอยเก็บสวยในหมู่บ้านนั้นก็เลยเขียนจดหมายชายให้ม่าเออเนี่ยไปเอาจดหมายไปให้ อ่บริลุกน้องฉันหน่อยแล้วกันนายก็เลยรับเอาใส่ชายพกพกไปเนี่ยนะพกจดหมายไปทีนี้ไอระหว่างทางแกไปพักบ้านเพื่อนข่านะแบบบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็ไปพักบ้านเพื่อนแล้วกันแกก็พกจดหมายเนี่ยไปพอพกจดหมายไปก็ไปถึงบ้านเพื่อนเศรษฐีอ่าไปถึงบ้านเพื่อนพ่อก็ขอเข้าไปอาศัยพัก น, นะบอกว่าเป็นลูกเศรษฐีบ้านนู้นมาอ่าทีนี้ เด็กชายโคศกเนี่ยมันมีบุญเป็นเด็กมีบุญเป็นชายหนุ่มที่มีบุญอ่ะตอนเนี้จะหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มชายหนุ่มที่มีบุญมากแล้วก็เลยพอไปถึงปั๊บเนี่ยลูกเศรษฐีภรยาเศรษฐีเห็นปั๊บรักเหมือนลูกเลยนี่ก็มีเด็กอผู้หญิงสาวทาตคนชายอยู่คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเป็นสาวใชล้ลูกสาวเศรษฐีก็เดินมาบอกเอ้เนี่เธอมาช่วยดูแลต้อนรับอ ลูกของฉันหน่อยมาจากในเมืองแล้ ง, งั้นหญิงสาวชายก็มาดูแลปรนนิบัติหญิงสาวชายนั้นก็เสร็จแล้วก็ไปทํางานทํางานตามน า, นายสาวเนี่ยสั่งมาเสร็จแล้วก็พอกลับไปถึงขึ้นก็ขึ้นปราสาทนะขึ้นตึกหลายชั้นน่นนะตึกอินเดียใคยเห็นปราสาทอินเดียไหมไปกลางคืนนี่จะเห็นหญิงหญิงสาวก็จะยืนอยู่ชั้นบนให้ผู้ชายจะคขาขาอยู่ข้างล่างพอไปถึงปั๊บเนี่ยไนงะ หญิงลูกสาวเศรษฐีก็เลยบน่นทําไมมาชามาสายสั่งงานนี่เดียวทําไมเรื่องมันไปไกลอะไรขนาดไหนก็บอกเขาอยากเงียบเงียบหน่อยเธอเขาบอกว่านายหญิงสั่งงานอยู่เพรางั้นต้องคอยดูแลเพื่อนเพื่อนกะไรนะลูกชายของเพื่อนท่านเศรษฐีม า, าเขาชื่อโคสกะเขาบอกว่าไอ้ลูกสาวเศรษฐีมันก็คืออดีตภรรยาของตัวเองในะอดีตนั่นแหละทีนี้ไอ้ภรรยาคนนี้เนี่ย หลังจากที่ที่นายโกตูฮาริกะตายเนี่ยเขาก็ทําบุญ เ, เป็นสมัครเป็นคนงานอยู่ในบ้านนายโคบานก็ทําบุญจนจนเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนหลังก็บุญนั้นเป็นปัจจัยให้มาเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีตรงนี้พรันได้ยินชื่อนายเนี่ย โ, โคสกะก็เขบอกว่าในคาถาธรรมบทบอกว่าความรักก็จดเยื่อในกระดูกก็อยากเห็นเอ็มเป็นยังไงทีนี้แอก็ไปเห็นว่าเขาบอกว่าถามว่าแล้วจัดให้เขานอนที่ไหนอะไรที่ไหนนั่นก็แอกย่องไปดู ไปถึงก็นายโคสกาเนี่ยหลับอยู่เห็นก็ก็ชอบเอ๊ะมันมีชายพกอยู่นึงก็แอ บ, บดูหน่อยพกอะไรมาก็บอกว่าพกจดหมายจเป็นจดหมายสั่งตายแล้วก็ตายตัวเองอ่ะนะนางก็เลยคิดว่าโอ้ยโง่จังนะโง่จังเลยราเขียนจดหมายให้ไปฆ่าตัวตายก็ยังไม่รู้อีกนางก็เลยแอ บ, บเอาจดหมายขึ้นไปแล้วก็แปลงสารนะนะก็ว่าจดหมายไปยิงคาสั่งในจดหมายบอกไปถึงช่วยฆ่าลูกชายที่ ที่ฉันเกลียดที่สุดแล้วเป็นลูกชายที่เลวร้ายมากเลยนะข้าให้หน่อยเราจะให้รางวัลอย่างดีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจดหมายบอกว่าช่วยจับให้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีบ้านนี้หน่อยและจะให้รางวัลเป็นอย่างดีมันก็กลายเป็นจากจดหมายข้าเป็นจดหมายอะไรจดหมายให้แต่งงานนะแต่ทีนี้ไอ้ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ฉลาดมากมันรู้เรื่องมาตลอดสายเลยจะรู้เลยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงคือฟังและเข้าใจเลยนะก็สองคนก็ได้แต่งงานพอแต่งงานก็ ถ้ามีข่าวคราวมาจากเมืองโกสัมพีเนี่ยจะสั่งคนงานตัวเองไว้หมดเลยว่าจดหมายหรือหนังสือคนบอกข่าวต้องมาแจ้งตัวเองอย่างเดียวห้ามไปบอกลูกชายเศรษฐีก่อนแล้วจะเป็นคนรายงานให้ลูกชายเศรษฐีทราบในภายหลังก็ข่าวคราวก็ส่งมาเป็นระยะระยะระยะก็คือเศรษฐีเนี่ยได้ฟังยิ่งช้ําใจหนักเข้าไปอีกเนี่ยนะเรีกวกระอักเลือดเลยครั้งหลังสุดนี่กระอักเลือดนอนสมเลยทําอะไรไม่ได้ เสร็จ แ, แล้วก็ก็จะส่งคนมาบอกว่าอยากเห็นหน้าลูกชายาลูกสาวเสียทีก็ถามว่าอาการท่านเป็นยังไงในที่สุดนู่นอาการตางตายแล้วนั่นแหละจึงค่อยไปไปถึงไปถึงก็ตัวเองก็ไปให้ลูกชายคือโคสกะไปอยู่ข้างเท้าตัวเองก็ไปอยู่ข้างหน้าเสร็จ แ, แล้วก็ตอนหนึ่งอ่ะนะเขาก็พูดเขาก็พูดแบบาทาพินัยกรรมพูดว่าทรัพย์สินของฉันทั้งหมดฉัน ขอยกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดยังไม่ทันจบนะนางก็กลิ้งลม อ, อกกตาก็คือเรียกว่าแกล้งลมตัวร้องหมร้องให้กอดที่ไหนได้ก็ฆ่าเข้ากับฆ่าเศรษฐีทรงนั่นแหละเศรษฐีก็เลยตายเลยทีนี้ตอนหลังก็พระราชาก็แต่งตั้งนายโคสกะเนี่ยเป็นเศรษฐีสืบตำแหน่งจากพ่อนะแล้วก็ไม่มีรู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังไปยังไงมายังไงก็เลยแต่งตั้งให้โคสกะเนี่ยเป็นเศรษฐี ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยนะพอเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระราชาโอ้แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เดินกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาถือดาบมันด้วยเขามีตําแหน่งเศรษฐีมีดาบประจําตําแหน่งอะไรเป็นต้นนะลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็เห็นปั๊บก็หัวเราะโอ้หัวเราะขี้ขี้้ขำอ่ะนะบอกไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะสมบัติพวกนี้ได้มาเพราะชั้นทั้งนั้นแหละก็แอบําในใจอ่ะแอบําไปเรืยเศรษฐีก็เห็นแล้วปั๊บเนี่ยก็เธอคําเรื่องอะไร ไม่บอกว่างั้นไม่บอกก็ชักดาบไม่บอกจะฆ่าทิง้งเศรษฐีก็เออลูกสาวเศรษฐีก็บอกกันนะก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดบอกไม่เชื่อกระฉั้นไม่เชื่อพ่อฉันดีทุกอย่างไม่มีปัญหาเธอกูเรื่องขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาไม่เป็นความจริงไม่จริงไงก็ไปถามนางกาลีดูสินะแล้วกเลี้ยงนางกาลีก็มารับบอกว่าใช่แล้วก็เล่าประวัติความหลังให้ฟังแกก็เลยเสียอกเสียใจมาก โกศกะเศรษฐีเนี่ยนะแกก็คิดสังเวทใจมากเพราะเราเนี่ยบุญน้อยแกก็ตั้งขนาดแกก็เลยสร้างโรงทานขึ้นมาตั้งโรงทานพอตั้งโรงทานเสร็จคนก็คนก็มากินโรงทานแกนเนี่ยนะเสียงของพวกพวกมากินอาหารที่โรงทานแกนดังเกียวเจ้าทุกวันก็ดีใจมากนั้นะมีความสุขที่คนมาได้กินอาหารเนี่ยนะนสังเวทใจตัวเองอะนะเสร็จแล้วก็วันหนึ่ง นี่เขาก็มีเศรษฐีโคสกะเศรษฐีมีเพื่อนที่ไม่เคยเห็นหน้าอยู่เมืองหนึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็เศรษฐีคนนี้บ้านนั้นเมืองนั้นก็เกิดอหิวาตกโรคลงโรคอหิวาก็ลงบ้านลงเมืองพอลงบ้านลงเมืองคนเนี่ยตายเยอะเมื่อคนตายจํานวนมากๆขึ้นทําไงดีคนตายจํานวนมากเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาและลูกสาวก็แอบหนีไปก็แอบหนีไอระหว่างแอบหนีมาเนี่ยนะ ก็เดินทางมารอนแรมก็พร้อมโซกันนั่งพ่อแม่ลูกเนี่ยนะก็พร้อมเมื่อพร้อมมาถึงก็มาถึงใกล้มาใกล้เข้ามาในเมืองโกสัมพีพอ ม, มาถึงใกล้เมืองโกสัมพีก็ไปพักอยู่สาลาข้างทางเสร็จแล้วมันก็พร้อมโซมากเลยนะก็สองคนสามีภรรยาและลูกสาวก็มาคุยกันว่าจริงๆอ่ะเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเศรษฐีเขาตั้งโรงทานแต่ถ้าเราปักเข้าไปในสภาพแบบนี้เนี่ยนะแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่ชอบเลยแล้วเพื่อนอาจจะชอบได้ยังไง เดี๋ยวเราดูแลสุขภาพให้มันแข็งแรงดีกว่านี้สักสองสามวันแล้วค่อยเข้าไปหาเพื่อนอก็เลยรับทีนี้ก็สามคนก็พักอยู่ที่ศาลาก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปรับอาหารที่ที่โรงทานที่โรงทานของเศรษฐีไปถึงก็บอกว่านายหัวหน้าหัวหน้าโรงทานเนี่ยก็ถามว่าเธอจะเอากี่ส่วนบอกขอสามส่วนนะสามส่วนก็ได้สามส่วนมา ก็มาให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วก็ไอความที่รักพ่อทั้งคู่เนี่ยนะภรรยาก็รักสามีลูกสาวก็รักพ่อก็เลยพ่อเนี่ยได้หนึ่งส่วนเป็นของตัวเองก่อนแล้วก็แบ่งเอาจากส่วนของภรรยามาอีกครึ่งหนึ่งส่วนของลูกสาวมาอีกครึ่งหนึ่งก็เลยกินมากตายอีกคืนน่ยนะตายตกคืนนั้นเศรษฐีก็ตายสองสไอสองสาสองสอ ง, สองแม่ลูกะนะภรรยาเศรษฐีแล้วลูกสาวก็ร้องห่มร้องให้ สามีก็ตายทนี้ก็ในที่สุดนะนะทำเนียมแขกคนตายแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็เอาไปทิ้งธรรมดาเนี่ยเรียป่าช้าผีดิบมาให้คนเอาไปทิ้งปกติเี่ย